บัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระพาพ อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธทรรมและประสงค์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีรทมสมาธิในการฝังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมาฐานตามสภสังวรสูตรนำสติปัฏฐานในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีละอาสวะ คือกิเลสที่นองจิตสันดานด้วยวิธีปฏิบัติ ร, รมทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นสังวระ คือสํารวมกินสีทั้งหกอันได้แก่ตาหูจมูกเลิ้ยงกายใจซึ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วยังจักแสดงอธิบายวิธีต่อไป พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในพระสูตรนี้เป็นข้อที่สามก็คือละด้วยการเสษบริโภคคือเสษบริโภคปัจจัยทั้งสี่ สำหรับภิกษุบริษัทก็คือจีวรผ่านนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารที่บริโภคเส้นราสนะ ที่นอนที่นั่งและที่ลานปัจจยะเภสัชบริคารคือยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ ใจคือเครื่องอาศัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องอาศัยจึงดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัย และปัจจัยสำหรับชีวิตต้องอาศัยดำรงอยู่ได้นี้ก็มีสี่ดังที่กล่าวแล้วสำหรับที่สุบริษัทรลวพุทธจเจ้าได้สั่งสอนให้พิจารนา เศษบริพกที่เรียกว่าทำไว้ในใจโดยแยบคลายธนาโดยแยบคลายและ รัดไว้ในพระสูตรนี้ว่าการพิจารณาโดยแยกขายเสษบริโภคปัจจัยทั้งสี่เป็นเหตุละอาสวะคือติเลสที่ดองจิตสันดานได้ข้อหนึ่ง และก็ได้ตรัสสอนวิธีพิจารณาไว้ว่าที่เรียกว่าพิจารณาโดยแยกใครนั่นคือพิจารณาอย่างไรในข้อจีวรคือผ้านุ่มก็ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยกใคร คือพิจารณาว่าเศษบริโภคจีวรคือผ้านนงห่มก็เพื่อบาบัดหนาวเพื่อบาบัดร้อนเพื่อบาบัดสัมผัสคือความกระทบถูกต้อง แห่งเลือบยุ่งลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อปกปิดอวัยวะความอายดังนี้เป็นวิธีพิจารณาที่ตรรจน ไว้ให้พิจารณาในการเสษบริภคีวรนคือผ้านุงหง่มและเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยกขข่ในข้อบิญบาติ คืออาหารสำหรับบริโภคก็ตรัสสอนให้พิจารนาว่าบริโภคบิณาบาทคืออาหารสำหรับบริโภคนม่ใช่ เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อสดใสไม่ใช่เพื่อเปล่งปลังไม่ได้เพื่อความดำรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้แห่งกายเพื่อ ยังชีวิตให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์กรมจัร์คือความประพฤติอันประเสริฐคือความประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า โดยคิดว่าเราจักระงับเวทนาเก่าจักไม่ยังเวทนาใหม่ให้บังเกิดขึ้นความไป ความที่ระงับความลำบากความที่ไม่มีโทษความอยู่ผาสุจากจกมีแก่เราด้วยเพราะอย่างนี้ เมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบครายบริโภคบินทบาทคืออาหารที่บริโภคในการเสษบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอน ก็ตรัสสอนให้พิจรารณาว่าเสษบริโภคเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยก็เพื่อกำจัดเพื่อกาจัดร้อนเพื่อกำจัดสัมผัสแห่งเหลือบยุง่งลมแดด เืิคลานทั้งหลายเพื่อบันเทาอันตรายแต่ฤดูการเพื่อชอบในความหลีกเล่นเมื่อพิจารณาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยกไาย เศษบริโภคเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัยในการบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเศษบริโภคยาปรุง สำหรับผู้ป่วยไข้ก็เพื่อกำจัดเวทนาทั้งหลายที่มีอ า, าพาธต่างๆความเจ็บป่วยต่างๆเป็นมูลเพื่อ ที่จะได้หายป่วยไข้เมื่อพิจารณาดังนี้เสษบริโภคยาปรุงสำหรับผู้ป่วยไข้ก็ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบไขย เสบริโภคยาปรุงสาหรับโหป่วยไข้เมื่อมีได้พิจารณาโดยแยกคายบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้อาจวะคือกิเลสที่นองจิตสันดานทั้งหลายอันเป็นเครื่อง ทำความขับแค้นสร้างความทุกข์ร้อนเหล่านั้น ย, ย่อมเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อพิจารณาโดยแยกใายอย่างนี้แล้วอาสวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้นดังนี้ การพิจารณาบริโภคเศษปัจจัยทั้งสี่โดยแยบคายตามที่ตรัสสอนไวน้นี้ก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติแม้สำหรับโอมุ่งปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ในฝ่ายครือขัดด้วยก็เพราว่าไม่ว่าจะเป็นบัตคือู้บทไม่ว่าจะเป็นครือขัดก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสีน่นี้ในการดำรงชีวิตอยู่ต้องเสพ บ, บริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ สำหรับบำรุงเลี้ยงชีวิตยอยู่เป็นประจำและเมื่อไม่ได้พิจารณาโดยแยกใายก็ย่อมเป็นเหตุให้บริโภคด้วยตัณหาคือความดิ้นรนขยานยาก ติดอยู่ในรถของการเสพบริโภคเป่นติดอยู่ในรถของอาหารหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าติดอยู่ใน สุขเวทนาที่ได้จากการเสด็จบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ซึ่งเมื่อไม่ได้พิจารณาสุขเวทนานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาและเมื่อ กันหาที่บังเกิดนี้นเกิดขึ้นก็จะนอนจมนองจิตสันดานต่อไปแม้ว่ากันหาที่ปรากฏ จะรู้สึกบ่บังเกิดขึ้นและหายไปเป็นคราวๆแต่ที่ว่าหายไปนั่นก็คือความรู้สึกหายไปส่วนจะตอนของตัณหานั่นก็ยังตกตม นอนจมอยู่ในจิตอันนี้แหละที่เรียกว่าอาสวะและในข้อนี้หากทุกทุกคนพิจรารณาดูโดยตรงก็ดีโดยเทียบเขียงก็ดี ก็ยอมจะเห็นได้ก็ความติดนี้ซึ่งเป็นวตัวอาสวะนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการเสพ บ, บริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ยกตัวอย่าง ที่ทุกคนบริโภคมาสร้างแต่เกิดความติดในรสในประเภทของอาหารนั้นย่อมมีอยู่และทำให้ต้องการ ที่จะบริโภคอาหารเช่นนั้นมีรถเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนทุกชาติทุกํำพวกจึงมีความติดอยู่ในอาหารที่ตนได้บริโภคมาตั้งแต่เกิด อยู่ด้วยกันจึงทำให้คนไทยก็จะต้องชอบบริโภคอาหารไทยคนประเทศนั้นประเทศนี้ก็จะต้องชอบบริโภคอาหารของประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งความติดนี้ก็ค่อยๆมีขึ้นทีละน้อย จนถึงเป็นความติดที่นอนจมอยู่แม้ในทางร่างกายและตนเองก็ไม่รู้สึกว่าความต้องการอาหารดังกล่าวนั้นตกอยู่ที่ไหน ตั้งอยู่ที่ไหนแต่ว่าในเมื่อพบอาหารเข้าแล้วจึงจะรู้สึกขึ้นเองถ้าเป็นอาหารที่ผิดจากที่ตนได้เคยบริโภคมาจนติดฝังอยู่ดังกล่าวแล้ว ถ้าไม่ได้อาหารเช่นนั้นก็บริโภคไม่ได้จะต้องได้อาหารอย่างนั้นจึงจะบริโภคได้และแม้ความติดอย่างอื่นเกี่ยวแก่ยาเสพติดต่างๆก็เช่นเดียวกันเช่นติดสุราติดฟิน ทุกคนผู้ติดสุราติดฝิ่นนั้นทีแรกก็ไม่ติดแต่เพราะเหตุที่ได้เสพสุราได้สูบฝิ่นบ่อยๆความติดก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นฝังลึกลงไป ก็เป็นไปทางร่างกายนี้เองแล้วก็ทำให้ต้องการที่จะลืมสุราต้องการที่จะสุ ป, ปินสุบปปินต้องการที่จะเสพยาเสพติดให้โทษติดติดนั่นสิ่งที่ติดอยู่ดังนี้แหละทางกายก็มีทางใจก็มี ซึ่งทางใจนั่นเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าอนุสัยอาสวะก็แปลว่านองจิตสันดานอนุสัยก็แปลว่านอนจมลคืนนั้นนอนจมอยู่ในจิตสันดานคือติดอยู่นั่นเองติดอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างที่ติดยาเสพติดให้โทษดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละทางร่างกาย สิ่งที่ติดอยู่นี่แหละนี่แหละคือตัวอาสวะหรือตัวอนุใสยติดฟินติดตุราก็เป็นอาสวะอนุใสยซึ่งเป็นไปทางกายสิ่งอันใดที่ได้เสพคุ้นคือได้ส่องเสพ บ, บ่อยๆ ได้ทำบ่อยๆก็ย่อมให้บังเกิดภาวะดังกล่าวมานันนี้และทุกๆคนก็ย่อมจะมีภาวะดังกล่าว อ, อยู่นี้แม้ทางร่างกาย ซึ่งน่าจะเป็นร่างกายโดยเฉพมาะจนว่ามือขวาของทุกๆคนหัดให้เขียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กๆให้หยิบจับทำอะไรทำงาน้วยมือขวาเป็นส่วนใหญ่มาตั้งแต่เล็กๆ จึงใช้มือขวาเขียนหนังสือได้สะดวกทำงานได้สะดวกแต่มือซ้ายเขียนหนังสือไม่ได้สะดวกเหมือนอย่างมือขวานี่แปลว่าการเกียนอย่างอาสวะอนุัยแล้วก็แปลว่ามือขวานั้นมีอาสวะอันไหลในทางเขียนหนังสือมาอันเกิดจากเสรวนะคือการส่องเศษ หรือการเสียบคุ้นนี่แหละแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั่นแสดงทางจิตใจสิ่งที่สั่งสมเก็บอยู่ในจิตใจถ้าเป็นไฟชั่วก็เรียกว่าอาสวะเรียกว่าอนุัยจะเรียกว่าเป็นการเก็บชั่วก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนดี ก็เก็บไว้เหมือนกันสั่งสมไว้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าอาสวะอนุัยเรียกว่าบารมีก็คือเก็บดีเะฉะนั้นเพื่อที่จะเข้าใจง่ายและจำง่ายจะแปลอาสาวะว่าเก็บชั่วก็ได้จะแปลบารมีว่าเก็บดีก็ได้ ถึงเก็บไว้ได้จริงๆดังตัวอย่างที่กล่าวมานี่และแม้แต่ทางร่างกายก็ยังเก็บเอาไว้ได้เหมือนอย่างมือซ้ายมือขวาที่ยกตัวอย่างมานั่นแม้อย่างอื่นก็เหมือนกันทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจสิ่งอะไรที่มีการเสพคือการทำ การส่องเศษการปฏิบัติการกระทําอยู่บ่อยๆแล้วทั้งทางกายทั้งทางใจย่อมทําให้ติดได้ทั้งนั้นทําให้เกิดความคุ้นเคยในสิ่งที่เศษบ่อยๆที่ทำบ่อยๆนั้นเพราะฉะนั้นการซ่องเศษนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ตามที่กล่าวมานี่ก็เป็นการแสดงขยายออกไปว่ามีสัจจะคือความจริงอยู่เช่นนี้ว่าปฏิเสวันะการส่องเศษือเสวันะการส่องเศษนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและโดยเฉพาะสำหรับปัจจัยสี่นี้ เป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องส่องเสพกันอยู่ต้องบริโภคกันอยู่เป็นประจำทุกวันฉันั้นหากไม่พิจารณาโดยแยกคายแล้วการส่องเสพก็จะทำให้เกิดปัญหา การสืบเนื่องมาจากความสุขนี่แหละที่ได้จากการส่องเสร็จคือทำให้ติดที่พระพุทธเจ้ากรัสว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัญหาแล้วก็ลงไปเป็นอาสวะติดอยู่ในจิตสันดาษโดยลำดับ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่พิจารณาในการส่องเสพซึ่งส่องเสพอยู่เป็นประจำนี้โดยแยกหายแล้วการส่องเสพปัจจัยทั้งสีน่นี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสันขาซึ่งปัจจัยให้ไปเก็บชั่วเป็นอาสวะนองกิจสนดาอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งสี่นี้ต่อไป เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยกไรโดยความก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้การบริโภคปัจจัยทั้งสี่นี้ก่อตังหาก่ออาสวะคือเกิบชั่วนี้ให้บังเกิดขึ้นและในการพิจารณานี้ก็จ้ตรัสสอนวิธีพิจารณาไว้ โดยความก็คือว่าการที่บริโภคนั้นอันที่จริงไม่ใช่บริโภคเพื่ออะไรแต่ว่าบริโภคเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากจะทำให้บุคคลได้มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ของการบริโภค ปัจจัยทั้งสี่และจะทำให้มุ่งประโยชน์ที่บริโภคเป็นสำคัญและนอกจากว่าจะบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่แล้วยังสืบไปถึงว่าดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรอีกด้วยคือบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่และดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังที่สอด สอนว่าเพื่ออันดุเพลาะพรหมจรรย์คือเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ประพฤติพุทธาศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความประพฤติที่ประเสริฐคือเป็นความประพฤติที่ดีเป็นความประพฤติที่เป็นประโยชน์ทางกายทางวาจาทางใจ จึงทาให้มุ่งที่จะบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแก่การดํารงชีวิตและดํารงชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะบําเพ็ญประโยชน์เพื่อจะประกอบผลงานความดีต่างๆเมื่อเป็นดังนี้แล้วสติและปัญญาที่มีความระลืกได้ และมีความรู้ถึงประโยชน์ดังนี้ก็จะทำให้เป็นการป้องกันปัญหาเป็นการป้องกันอาสวะมิให้เพิ่มเติมต่อไปและทำให้อาสวะเก่านั่นถอยกำลังลงด้วย เพราะฉะนั้นการที่พิจารณาโดยแยกขายบริโภคจึงเป็นเหตุและอาสวะกิเลสที่ดองสันดานได้ข้อหนึ่งและก็เป็นข้อสำคัญต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางงฟามสงบ